ถ้าอะไรที่เราว่าไม่ยึดหมายหรือมันไม่มั่นหมายเพรมันนั่นอันนั้นมันก็ไม่มีทุกข์มันก็มีเกิดไอ้ทุกข์เนี่ยไอ้ที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดจยากพบมันมีพบที่จะเกิดมันก็ต้องไปเกิดที่พบคือความเกิดด้านนั้นมันไปเกิดที่พบตัวอุปาทานนี่แหละมันเป็นพบนะ ยึดมั่นถือมั่นนี่แหละมันเป็นภพให้ทุกเกิดนะให้ทุกนี่มันเกิดขึ้นมาดูเถอะอย่าไปดูไปไกลแต่ดูปัจจุบันนี่ดูกายดูจิตของเราเดียวเนี้ที่เราปฏิบัติอยู่เดียวนี้ยเมื่อทุกเกิดขึ้นมาเพราะอะไรมันถึงทุกดูเดียวนั้นนะี่ยเมื่อสุขเกิดขึ้นมามันเป็นอะไรมันถึงสุขดูเดียวนั้นน่ะมันเกิดตรงไหนเนี่ยให้มันรู้จักเดียวนั้นนะี้ทุกเกิดที่อุปาทาน สุขเกิดที่อุปทานทั้งนั้นการเกิดขึ้นมามันต้องอาศัยภพคือชาติถ้ามันมีชาติขึ้นมามันต้องมาจากภพมันจึงมีชาติชาติตึงมีชราชรามีพยาธิมีมรณะโสกะปริเทวนาทุกไปเลยไม่ต้องดูไกลแล้วเรามันดูเดี๋ยวนี้อุปทานให้เกิดสุข ให้เกิดทุกข์โดยที่ไม่รู้ตัวถ้ามีอะไรที่ชอบใจกับอุปทานอันนี้ของฉัน้นอันนี้ฉันชอบใจก็ดีใจเท่านั้นเนี่ยนี่นีน่ทำไเกิดม้างทำไมเกิดเพราะอะไรอุปทานดูง่ายง่ายไม่ต้องดูมันนานนบอืมไอ้สิ่งอะไรที่มันมีพบอันหนึ่งที่มันเกิดทุกข์ขึ้นมาทุกข์มันจะเกิดที่พบนั่นะทุกข์นี่คือชาติทุกข์ เมื่อชาติเกิดขึ้นมาทีพบมันเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาตรงนั้นชาตินี้มันก็รู้จักที่เกิดมันคือพบสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมันเกิดจากพบทั้งนั้นจัดมาเป็นเป็นชาติทุกข์เกิดสุขขึ้นมามันก็เป็นชาติอันนั้น เกิดความทุกข์ใจขึ้นมามันก็เป็นชาติอันหนึ่งไม่ใช่ว่าไอ้คนเราเกิดมาแล้วมันตายไปวันนี้พรุ่งนี้บุรไม่ใช่อย่างนั้นอารมณ์ที่มันเกิดกับจิตแต่มันดับแล้วมันเกิดมันดับมันเกิดนี่ยนี่ท่านเรียกว่าไอ้คนเกิดกีชาติพันชาติเนี่ยอนั้นต่านไม่สนใจที่เรียกว่าเกิดไอ้คนตายแล้วเกิดนั่นนะพระพุทธองค์ท่านไม่ค่อยสนใจเท่าไหรครับตรงนั้นไอ้สนใจที่ว่าคณะจิตมันเกิดดับ มันกี่ชาติเนี่ยน ะ, อ ะ, อะไอ้กายเราเกิดขึ้นมาจะเนเกิดขึ้นมาเดือเนี่ยเรายังไม่ตายกันเห็นไหมหนั่งอยู่นี่แน่ยังไม่ตายไอ้เรื่องจิตที่มันตายนั่นน่ะมันไม่กี่ภพกี่ชาติมันกี่หมื่นชาติแสนชาติบางทีมันมีสุขขึ้นมาเราก็ชอบอืบางทีมีทุกข์ขึ้นมาเราก็ไม่ชอบเห็นไหมแต่เราเกิดขึ้นมาเนี่มันกี่หนกี่กีภพกี่ชาติเนี่ย ตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญในร่างกายนี่ไม่ต้องอะไรมันนกเมื่อกิจยังอุปทานอยูยอย่างนั้นไม่ต้องสงสัยมันนก ม, มันก็เป็นธาตุตันหาเรื่อยไปนั่นแหละถ้าพูดตามทางปรามัดขณะของกิจอย่างนั้นเรากำนดกิจของเราผนะููไม่มีปัญญาไอ้คนที่โง่ก็เกิดเรื่อยไปปรารถนาสิ่งที่จะเกิดขึ้นมานนแหละ สิ่งที่เกิดขึ้นมานปรารถนาสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาคือชาติแต่ไม่อยากตายเนี่ยนะเห็นไหมเกิดมาแล้วไม่ตายมีไหมนี่พระพุทธองค์ท่านสอนอย่างนั้นแต่คนเราอยากเกิดแต่ไม่อยากตายแน่เออหน้าฟังไหมหน่าหวเราะไหมล่ ะ, ะโง่ไหมมีปัญญาไหม ชาติถ้ามีชาติมันก็เกิดมาจากพกเกิดได้ก็ต้องตายแต่คนปรารถนาหนักหนาได้เกินมาปรารถนาเกิดแด่ไม่อยากตายนี่ดูที่คนแล้วน ะ, ะมันเป็นอย่างนี้จะไม่มันทุกข์จะเป็นยังไงเระมันก็ต้องเป็นของมันอยู่อย่างนั้นนี่คือคนหลงโลกหลงอยู่ในโลกานี่แหละไม่ไปตรงไหนละ่ะปรารถนาอยู่เนี้ยอไอ้ความเป็นจริงใ น, ใ, ใ, นในโลกมัน สุขสดิบๆมันเกิดเกิตายตลอดเวลาอืพระโยคาวจรเจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วเห็นจิตเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างนี้ท่านมาเห็นมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเกิดเกิใตายเกิดเกิดเป็นของไม่แน่นอนสักอย่างหนึ่งเลยถ้าพิจารณาแล้วท่านดูมันอยู่ทุกวิธีน่ะมันก็เป็นของมันเนี่ยไม่มีอะไรจะแน่นอนสักอย่างหนึ่งเลยเกิดแด็กตายตายแล้วก็เกิดเกิดเด็กตายไม่มีอะไรที่จะเป็นแก่นสารเลย เดินไปแตงการู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นนั่งแตงการู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นว่าจะเอาตรงไหนล่ะเอาตรงไหนมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเออเอาโลกเอาตรงนั้นมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเหมือนกระไรก้อนเด็กใหญ่ๆที่เขาเข้าเตาหลอมแล้วนะ่ะร้อนทั้งข้าทําไงยกขึ้นมาเอามือไปแตะโดยที่ข้างบนมันก็ร้อนใช่ไหม้างล่า ง, ง <c oughs> มันก็ร้อนใช่ไหมข้างข้างมันก็ร้อนเออมันร้อนทั้งนั้นพี่ไม่ร้อนไม่มีเลยเพราะว่าเออ มันออกจากเตาหลอมมาเด็กทางแท่นมันแดงหมดกันมีที่เย็นไหมเนี่ยอย่างนั้นพระพุทธองค์ก็ยังสอนว่าอาให้พิจารณาไปอยากให้มันเกิดถ้าหากว่าอย่าให้มันเกิดถ้าพูดอย่างนี้คนตกใจเลยนะคือตายไม่ได้เกิดนัคือบาปที่สุดแล้วนี่ชาวโลกเข้าใจตายไม่ได้เกิดคือบาปที่สุดแล้ว แสนที่สุดนะไม่มีใครอยากใจเลยนี่เห็นไหมไอ้ความเป็นจริงน่ะถ้าว่าตายแล้วน่ะมันไม่เกิดอีกแล้วมันหมดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วน่ะไม่มีอะไรแล้วเนี่ยอะไรมันก็ไม่มีแล้วน่ะมันจะสุขไหมสุขมันก็ไม่มีเลยจะทําไงมันก็ทุกข์เถอะทุกข์มันก็ไม่มีเลยไงอย่างนั้น่ก็ไม่น่าอยู่ไอ้ความคิดไม่น่าอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีในที่ตรงนั้นเอาสิ อจะอยู่ยังไงไหม เ, เราไปแม่อยู่เงินฉันก็ไม่สบายไอ้พวกไม่สบายอย่างนั้นความคิดอย่างนั้นมันก็ไม่มีในที่ตรงนั้นมันหมดออาถ้าเราไปพูดอย่างนี้นะถ้าพูดตามคนจริงึ้นไม่ไม่ค่อยสบายแล้วนะนเศษทีก็ตรงทีทุกคนโอ้ยนะเ อ, อเน อ, อ, เ อ, อะแค่นั้นเท่านั้น่าต้องเทศ ตามโรคเขาอายุวันโนสุ ข, ขังพลังเนี่ยเขาดีใจทีาทุนเ่็นไหมเนี่อายุให้มากที่สุดวันนะให้สวยที่สุดความสุขให้มีมากที่สุดให้มีกำลังใจมากที่สุดมีไหมเนี่นี่อันนี้เป็นคำให้พรคนในโลกเขาชอบอย่างนั้น อันนี้ถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาตามสิ่งทั้งหลายด่านี้ไม่รู้เรื่องอ ม, มันรู้จากเหตุนี่ถ้าปราศจากเหตุนี่มันก็ไม่รู้เรื่องไม่มีผลเกิดขึ้นมานทุกวันนี้เหมือนกันเราจะต้องเห็นชัดต้จะต้องไม่เกิด จะต้องให้มันเกิดเอ้าลองสิจะต้องไให้มันเกิดอืมให้มันรู้จักการเกิดอืมแม่ขนาดเทวาแม่คนนี้ทําไม่ชอบใจฉันเลยไม่ฉันเกลียดที่สุดไม่มีแล้วอืไอ้คนนี้ทําชอบฉันชอบที่สุดแล้วไม่มีแล้ว มีแต่อาการในโลกที่จะพูดกันว่าชอบที่สุดไม่ชอบที่สุดเท่านั้นแต่พูดอย่างใจอย่างคนในเรื่องกันอีกจะต้องเอาสมมติของโลกมาพูดให้มันดูเรื่องกับโลกเท่านั้นแหละเออท่านก็ไม่มีอะไรแล้วนี่เหนือมันเหนือต้องให้มันเหนืออย่างนั้นอันนั้นเป็นที่อยู่ของพระ ไอ้พวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันฉันนั้นที่จะต้องปฏิบัติอย่างนั้นก็ต้องพยายามอย่าไปสงสัยมันดิสงสัยมันอะไรเล่มผมก่อนจะปฏิบัติเนี่ยผมคิดว่าในโลกเนี่ยทำไมศาสนาตั้งอยู่ในโลกนี่ยทำไมบางคนทำทำไมบางคนไม่ทำทำแบบนี้นิดหน่อยทำไมเลิกไปซะอะไรกงไงงั้นหรือผู้ไม่เลิกผู้ไม่ไม่ประพฤติปฏิบัติเต็มที่มันเป็นเพราะอะไร มันก็ไม่รู้นั่นเองละผมก็ตั้งอธิษฐานในใจว่าเอาละชาตินี้เราจะมอบไหมนะกายใจอันนี้ให้มันตายไปชาติหนึ่งจะทําตามคําสอนพระพุทธเจ้าทุกประการนั่นแหละมันจะรู้จักจะทําให้มันรู้จักชาตินี้ถ้าไม่รู้จักแล้วมันก็จะลาบากอีกจะทําปล่อยวางมันทุกอย่างจะพยายามทํำถึงแม้มันจะทุกข์มันจะยากมันจะลำบากขนาดไหนก็ต้องจะทํา ถ้าอย่างนั้นก็สงสัยเรื่อยไปคิดอย่างนี้ก็ตั้งใจทําถึงแม้มันจะสุขมันจะทุกข์มันจะระ บ, บากขนาดนันก็ต้องทําบะชีวิตในชาติเนี้ยให้เหมือนวันหนึ่งก็คืนหนึ่งซะเท่านั้นทิ้งมันทิ้งทิ้ง ท, งทิ้งมันจะตามคําสอนพระพุทธเจ้าของเราจะตามธรรมะใหม้มันรู้เักทาไมมันยุ่งมันยากในปตาสงสารนี้ อยากจะรู้อย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนั้นอคิดปฏิบัตินะเพราะว่าแล้วก็ภูมิใจเนี่ยในโลกเนี่ยนักบวชทิ้งอะไรไหมถ้าเป็นนักบวชในสึกแล้วปฏิบัติทิ้งหมดทุกอย่างเลยไม่มีอะไรจะไปทิ้ง่ะมันรูปมันเสียงมันกลิ่นมันรสมันปดทิ้งทั้งหมดแต่กระทบทั้งหมดแต่ทิ้งทั้งหมดทิ้งมากที่สุด ไอที่โดเขาต้องการนี่มันทิ้งหมดทั้งนั้นเนี่ยฉะนั้นเราเป็นผู้ปฏิบัติีะต้องมักน้อยจะต้องสันโดดจะต้องเป็นผู้มักน้อยสันโดดถึงการพูดการจาการโบการชั้นการอะไรต้องเป็นคนที่ง่ายที่สุดกินง่ายนอนง่ายอะไรไงง่า ย, ายแบบที่เรียกว่ามันเป็นตาศีตาสาธรรมดาเราแบบง่า ย, ายอย่างนี้ ทำไปยิ่งทํายิ่งทํามันก็ยิ่งภูมิใจอยิ่งทํามันก็ยิ่งภูมิใจอมันจะเห็นทางจิตใจของเราไอ้เร่งที่มันแปลกประหลาดนั้นอยากจะให้คนเขาไปดูด้วยมันก็มันก็เหลือที่ใสแล้วฉะนั้นทำนี้มันจึงเป็นปัจจัติตังรู้เฉพาะตัวเรา ถ้ารู้เฉพาะตัวเราเราก็ต้องปฏิบัติเอาเองถ้เราปฏิบัตินี่เราจะต้องอาศัยครูบาอาจารย์ครึ่งหนึ่งทันนะแล้วก็อย่างวันนี้นะผมเทศใด้ฟังเนี่ยได้ยินกันได้ยินอันนี้ยังเป็นของใช่ไม่ได้เลยพูดง่ายๆนะแต่เป็นของหนารับฟังไว้ยังเป็นของใช่ไม่ได้เฉพาะตัวเรา ถึงแม้ใครจะเกิดความเชื่อขึ้นเดี๋ยวนี้ก็เชื่อเพราะผมพูดยังไม่เกิดประโยชน์เต็มที่นี่ถ้าใครเชื่อที่ผมพูดเต็มที่คนนั่นก็ยังโง่ถ้าหากว่าฟังแล้วอาไปมีเหตุผลไปพิจารณาดูให้มาเห็นชัดในจิตของเจ้าของละเอาเองทําเองละเองอันนั้นแหละมีผลมากแล้วรู้รสมันแล้ว อคือมันรู้เลยตนเองอย่างนั้นจริงๆอย่างนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงไม่ตรัสตรงต่อไปเลยคือบอกชัดไม่ได้เหมือนกับบอกไ อ, ไ, อไอ้แสงกับคนที่ตาจากักษุมันเสียเนะ่ยจะบอกว่าแม่มันขาวเรือเกินแม่มันเลือนเรือเกินนะแม่มันดําเรือเกินเนนะ่ยบอกไม่ได้บอกก็เหมือนไม่บอกก็บอกคนตาบอด เนี่ยอบอกก็บอกได้อยู่แต่ท่านว่ามันไม่เกิดประโยชน์เพราะคนนั้นตาบอดแล้วเนี่ยอย่างนั้นต่จึงย้อนกลับมาเรียกว่าให้ทําให้เป็นปัจจิตังให้เห็นชัดกับเจ้าของเมื่อมันเห็นชัดกับเจ้าของนี้ละมันจึงจะเป็นสีขีปูโตมันจึงจะเป็นพยานของเราแต่แท้ อมันจะยืนก็ไม่สงสัยนั่งก็ไม่สงสัยนอนก็ไม่สงสัยใครจะมาพูดว่าท่านปฏิบัติอย่างนี้ไม่ถูกผิดหมดแล้วก็สบายอก็ยังก็ยังสบาย ย, ย, ยังมีหลักสบายมีหลักอะไรไหมอย่างเรานั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยอย่างนั่งมันก็สบายเดี๋ยวนี้นะอเป็นปกติสบายอยู่ แค่มีกาหน้ําอยู่ข้างหน้าอีกอมันหนักจกัจกกิโลกว่าหรือสองกิโลอะน้าหนักของมันผมจะเอื้อมมือไปยกกาหน้ํานมนันขึ้นเรื่องมันผิดปกติของผมรู้จักว่าเอออันนี้มันเพิ่มความหนักขึ้นสองกิโลแล้วมั้งเรานั่งอยู่เฉยๆไม่มีความหนักอย่างนี้ที่มันจะหนักนี่เพอเราเอื้อมมือไปยกกาหน้ําเหมืนรู้สึกว่ามันมีหนักประมาณสองกิโลอย่างนี้อันนี้เรารู้คนเดียวเรานาะ แต่เขาบอกท่านไม่หนักท่านไม่รู้สึกหนักเลยเราจะเชื่อเขาไหมเราจะไปห้าว่าฉันไม่หนักหรือว่าฉันหนักอย่าไปพูดเลยอนี่กระบวนกาท่ันนั้นะฉะนั้นพระพุทธเจ้าองค์ทัานจึงให้รู้โดยตนเองทำนี้จะบอกกันจริงๆไม่ได้ มีแต่การปฏิบัติทำรรพระเจ้าประสงค์ทั้งหลายก็เหมือนกันปฏิบัติผมดูดอยู่เนี่ยมาโดยมากมันไม่มีความเห็นอย่างนั้นไปไปมาดูได้ถามโน่นถามนี่อันนั้นนนี้นึกว่าอถ้าเราพูดไปถูกกลุ่มเขาก็อกมันดีก็จะดีใจไ ม, ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่มันจะแก้ทุกข์ไม่ใช่จะแก้ความเห็นการพูดนี่ไม่ใช่ไม่รับฟังหน้าฟัง ฟังแล้วเอาไปพิจารณาให้มันเห็นชัดขึ้นมาในตัวของเราเท่านั้นอหน้าฟังไม่ต้องประมาทน่าฟังหน้าคารมเอาไปพิจารณาเนี่ยให้เราพิจารณานะผู้ปฏิบัติจะต้องเป็นอย่างนั้นอจะไปที่ไหนใครจะบอกเราให้รู้ชัดเจนอย่างนั้นไม่ได้ นอกจากความรู้สึกของเราความเห็นของเรานั้นและมันเกิดเป็นสมาธิเข้าเรื่องประพฤติเรื่องปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นเราทุกคนสมั น, นในเรื่องปฏิบัตินี้นะบวชอยู่ตั้งห้าปีสิบปีจะปฏิบัติประมาณเอาสักเดือนหนึ่งชช้นนี้มันก็ยากเหมือนกันเนี่ย จริงๆของมันต่างเป็นอย่างนั้นใอ้ความเป็นจริงอายตนะทั้งหลายต่างต่อสู้ตลอดเวลาดีใจสบายใจก็รู้จักไม่สบายใจก็รู้จักชอบก็รู้จักไม่ชอบมันก็รู้จักให้มันรู้จักสมมุติให้มันรู้จักีมุิบีมุิกับสมมติมันจะมาพร้อมกันเลยมันรู้จักดีมันรู้จักชั่วมันรู้จักพร้อมกันเลยเกิดมาพร้อมกัน นะอันนี้เป็นเรื่องผลงานที่จะมันเกิดขึ้นจากการกระทำงานของผู้ปฏิบัติไอ้ะฉะนั้นสิ่งใดที่หากที่เรียกว่ามันเกิดประโยชน์ตนเนี่ยประโยชน์คนอื่นที่พระพุทธองค์ทันสอนว่าสร้างประโยชน์ตนแล้วก็สร้างประโยชน์คนอื่นชื่อว่า ท, ทำตามพระพุทธญาณแล้วก็ผมเคยสอนเสมอว่าไอ้สิ่งที่ควรทำนี่ไม่คอ ย, อยากจะทากัน อย่างจิตวัดคอวัดอะไรต่างๆที่เราผมเคยสอนบ่อยๆพูดเนี่ยไม่ค่อยอยากเอาใจใส่เพราะคนมันไม่รู้นะไอะความเป็นจริงก่อนนึกว่ามันขีเ้เกียจบ้างมันลำคานบ้างมันวุ่นวายาอันนั้นแหละมันเป็นเหตุเราจะไปอยู่อะไรไม่มีอะไรเฉยๆอยู่จะอะไรไหมเนี่ยจะเป็นอาหารเหมือนกันเนะี่ยเมื่อฉันก็ไปมันเฉยๆจะเป็นยังไงไหมอร่อยไหม อา้าลองดองดูดิหูมันตื่นเขาพูดแต่มันเฉย อ, อยมันดูเรื่องไหมถ้าไม่ดูเรื่องมันจะมีเรื่องไหมไม่มีเรื่องมันมีเหตุไหมแกะตรงไหนมีที่แก้ไหมให้เราเขา้าใจอย่างนั้นปฏิบัติอมสมัยก่อนผมไปอยู่เหนือคิดพิจารณาแล้วไปอยู่กับพระหลายๆองค์พระแก่ๆบวชหลวงพ่อหลวงตาสองภาษาสามภาษาผมสิบภรษาแล้วอยู่กับพวกคนแก่ เห็นี่ยผมตั้งใจปฏิบัติเลยนับบาตรนับจีวรเทกระโถนสารพัดอย่างว่าไม่คิดว่าอันนี้ทำให้องค์นั้นอันนี้ทำห้ไม่ได้คิดอย่างนั้นทำข้อปฏิบัติของเราใครไม่ทำเราก็ทำเป็นกำไรของเราเนี่ยเป็นเรื่องทำมาสบายใจภูมิใจถึงบรรโุโบสโดมาแล้วเนี่ยเรารู้จัก พึบแล้วเป็นพระนุ่มนี่นะ <_ S 1> ไปจัดดงโบสุดปัดปวัดตั้งน้ำใช้น้ำชั้ น, นาระพัดยางสบาย ไ, ไอ้พวกไม่รู้จักจิตบัตก็เช่ยเราก็ไม่บายเขาหรอกนี่คือคนไม่รู้จักอันนี้เราก็เอามาปฏิบัติบายราทํา้วก็ภูมิใจเราสบายภูอัสนะทุกสิ่งทุกอย่างนีถึงเวลาแล้วผมผ่าเดินจงโภมสมาธภูมิใจมันภาวนามันสบายเด็แต่มันดีมันมีกาลัง ขอวัดของเรามันมีกําลังอืมีกําลังมากอที่ไหนเราจะควรทําได้ในวัดของเราในกติคนอื่นก็ดีกติเราก็ดีนะ่ะที่มันสกปรปลกลบลวงหลังทาเลยไม่ต้องไปทําให้ใครหราไม่ต้องทําเอาหน้าเอาตาเราทําเพื่อคออปฏิบัติของเราถ้าเราได้ทําเช่นนั้นก็เหมือนมันกวาดของสกปรกออกจากใจของเราเนี่ย กวดกติกวดเนสนาสนะไทยมันสะอาดก็เหมือนกวดของสุขปรกอกอกจากใจของเราอย่างนั้นพ่อเราเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยออันนี้ให้มันมีอยู่ในใจของเราทุกๆคนไม่ต้องมากความสามัคคีเนะี่ยไม่ต้องรองเรียกเลยเป็นเลยให้มันให้มันเป็นธรรมะอย่างนั้นสบายอืมมันสบายสงบระงรับนี่ช่วยกันทําอำช่วยกันอืม พยายามทําใจให้มันเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรมบบว่ขัดแย้งเราอะไรที่มีงานหนักงานหนาของใครช่วยเป็นบางครั้งองช่วยกันทําอะไรถ้าเราช่วยกันเน่ยมันก็สบายไม่น้นเนาะช่วยกันง่ายๆแล้วก็แล้วไปมันดีที่สุดกีวรลวินทบาศเสนาสนาเพสัตมันเป็นที่อาศัยของพวกเราทั้งนั้นอือพวกเราทั้งนั้นแล้วผมก็เคยพบมนกันเตะว่าผมมีกำไร ไปอยู่เด็กันมากๆ ม, ม, มีพระบางโอเมีบางองค์เอ้าวันนั้นอ่ะย่อมผ้ากันนะต้มผ้าเราไปต้มแกนขนุนดีมีพระบางองคับไ้เพื่อนต้มต้มเสร็จ้ก็มามาเอาผ้ามาสุกซุปย้อมหนีเลยไปตากอยู่พอดีนอนสบายเนีไม่ต้องต้มแกนขนุนไม่ต้องไม่ไม่ต้องอะไรมาลัางหม้ออีกไม่ต้องมาจัดอะไรเขานื่ว่าเขาสบายเขาดีอันนั้นคือมันโง่ที่สุดซะแล้ว ยิ่งสร้างความโง่ใส่เจ้าของและนะ้วเนี่ยคาว่าเขาไม่ได้ทํางานได้กระเพื่อนเขาทําเราถึงเวลาเราไปทํามาเลยง่ายที่สุดยิ่งเพิ่มกวาโง่ขึ้นเอาดูเถอะอันนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเขาเลยเนี่ยให้ดูๆอย่างนั้นเลยเนี่ยให้ดูๆงั้นอันนี้คือความคิดโง่ของคนอืมเนึกว่าเราดีสะอาด เราดลอยู่ได้ตรงไหนกน็อยู่ตรงนั้นนี่ไม่ต้องทำํำในจิตที่ควรทําไม่ทำดลบได้แดี๋วดีที่สุดนี่แหละคือมันโง่ที่สุดอนะ่ะเออให้เรามีความเห็นอย่างนั้นในใจของเราอยู่มันก็อยู่ไม่ได้เนีเออ่ยนี่ผมเคยเป็นพบเคยพบแต่ว่าเคยเห็นเห็นก็ต้องรู้จกักเราไม่เป็นอย่างนั้นถึงคราวอยู่ก็กอยู่ไปทไําไปถึงคราวนี้ก็ดีไปไม่เห็นมันมีอะไร ฉะนั้นสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกนั่นแหละคือเป็นเรื่องปฏิบัติของเรานี่ด้ระยะหนึ่งมันมีเพื่อนสาธารมิต์มาแล้วผมไปเล่าให้ฟังอยู่ดืด้อๆในสมัยนั้นพระสุเมโธมาและกาล็อกเตอร์อะไรที่มาก็มา ไอ้ชาวยุโรปมาหาเราเราก็ไม่เคยเห็นท่านนะและยินแต่ว่าบ้านเมืองของท่านนั่นใหม่มันสนุกสนานเหลือเกินอืมแต่เราก็ไม่เห็นแล้วนึกไปบัดนี้เขามีโอกาสที่มาอาศัยเราอยู่อยู่รวยกันพอได้ยินข่าวว่าจะมาลอกตะเบินนะ่ะล็อกตะเบินเนะี่ยมาแล้วก็ไม่ค่อยสบายซะแล้วเนะี่ยกลัวเนะี่ยกลัวกลัวแล้วทําไมแม่ท่านมาอยู่กับเราเนี่ยท่านมีความสุขนะ ท่านสบายอะไรเลยมดต้งนั้นอะ่ะจะมาอยู่กับเรายัางไงเนาะอาหารแล้วก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยดีนาำพริกปลาต้มผักไรทรมุนดาอยู่ตามมานออกไม่ค่อยสบายใจนั่งคิดไปมาอยู่เรื่อยพอดีทําไมเออพิรนาได้เออ<ม>ลองลองคิดอย่างนี้ดูสิวะ<ม>นะ<ม>เรามีมือสิบนิ้วเท่านี้แหละข้างละหนิ้ว เขาอยากจะขอดูมือเราในข้างละสิบนิ้วจะให้เขาดูได้ไหมมือข้างหนึ่งมันห้านิ้วเขาต้องการอยากดูมือ10บนิ้วหรือเจดนิ้วแปดนิ้วของเราจะมีให้เขาไหมมาในเมืองไทยนี่ทำไมก็ท่านมาศึกษานี่พุทธศาสนานี่มาศึกษาวัฒนธรรมของไทยอยู่เมืองไทยเขาอยู่อย่างไรเขากินอย่างไรเขาทําอะไรอย่างไรท่านก็ต้องรู้จักอยากจะรู้จัก Hey. ถ้าผมไปบำรุงมันโดนท่านทุกอย่างท่านก็จะโง่เท่านั้นแหละ mm. จะฉันได้ขนมปังอยู่เรื่อยท่านจะมีดีอะไรไหม mm. กลับไปบ้านเมืองไทยเขาทําอะไรยังไงไหม mm. เขาปฏิบัติอย่างใดไหม mm. ไม่รู้เรื่อง mm. นี่เป็นเหตุที่ท่านโง่อย่างนี้ mm. อย่างนั้นท่านจะอยู่อย่างนี้ก็ได้ตกลงอยู่กันนะเ mm. นี่ยคิดพอดีเป็นปกติอยู่กันสบาย แทนคนลำ บ, บากเหมือนกันนะอย่างธัญชาคารโอทั้งหลายแล้วนี่มาเงินมาทางเดีย ว, วกยู้อยไรต่างปีสองปีท้องอืมเห็นใจเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเกิดความฉลาดเกิดความได้ผลในเราเรียนอะไรต่างๆในปฏิบัติรู้จักอืมจะต้องรู้จักวิธีการปฏิบัติในพุทธศาสนาเรื่องเมืองไทยอ่ะอยู่เมืองไทยเราดีมากกับนี่ นีมันได้ฉราดอย่างนี้จะต้องลงทุนจะต้องลงทุนฉะนั้นจะพูดอะไรจะทำอะไรกให้รู้สึกว่าเรามาทาอะไรที่นี่เนี่ยอยากกินดีนั่งดีนอนดีอะไรทั้งไหนเรามาทำอะไรที่นี่ที่เรองมาเรามาทำอะไรไหมให้รู้จักนี่ถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เสมอนะ มันก um ็ปลุกใจเราอยู่ตลอดเวลาไม่เผล่หรอกปลุกใจเสมอนแม่ท่านจะยืนอยู่ท่านก็จะมีปลาลบควเพียรท่านอท่านจะเดินอยู่ท่านก็ปลาลบคงเพียรท่านท่านจะนอนอยู่ท่านก็ปลาลบคงเพียรท่านนี่ถ้าท่านเป็นท่านจ้ปลาลบควเพียรที่ไม่ไมด้ปลาลบควเพียรมันไม่เป็นอย่างนั้น นั่งอยู่กัไปนนอยู่ในบ้านเนี่ยืนก็ไปนนท์ในบ้านเดี๋ยวไปเด่นอยู่ในบ้านเด่นอยู่ประชาชนเขาอยู่ในนน่นยุ่งกับเขาอยู่ในนนใจมันไปอยู่อย่างนั้นไม่ได้ปารบกวนเพียรในเมื่อมันไปก็ไม่ได้หักห้ามใจของเราอีกด้วยก็ยิงปล่อยมันไปตามลมตามอารมณ์นี่เียกว่าตามอารมณ์เหมือนเด็กในบ้านก็าตามใจมันมันจะดีไหม พ่อแม่ตามใจเด็กในบ้านมันจะดีไหมท่านถึงตามใจมันถึงแตเป็นเด็กเมื่อมันรู้ภาษาแล้วยเขาก็เครียดมันเท่านั้นว่ามันจะโงก่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นการฝึกจิตของเราก็เป็นอย่างนั้นต้องรู้สึกตัวอย่างนั้นแล้วต้องรู้จักมันรู้จักฝึกจิตเจ้าของถ้าเราไม่รู้จักฝึกจิตของเจ้าของเราจะให้คอยคนอื่นให้ฝึกให้เราเนี่ยลำบากนะลาบากมากทีเดียวละ่ะ ฉะนั้นบัดนี้ผมตั้งใจอยู่แล้วนะผมตั้งใจเนี่ยที่ผมก้าวเข้ามาสู่วัดประโพง์อ่ะเท่าหลังๆเนี่ยผมจะพยายามตั้งใจแล้วเพราะว่าอะไรชีวิตของผมก็จะไม่นานจะพยายามตั้งใจอบรมที่นี่ ตอนเช้ามาตอนนั่นมาจะทำบัตรสวดมนต์ให้อาจารย์ชัวอาจารย์เลียมช่วยทางโน้นตอนเย็นมาก็ปล่อยให้ผมจะพ้าพระเนนทาทางนี้พยายามจะให้สม่ำเสม อ, อมตกลงใจแล้วอย่างนั้นพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วจะพยายามทาถึงแม้จะมีใครมาก็พยายามทาอย่างนี้ต้องพยายามทำเป็นโอกาสแล้ว เป็นโอกาสที่ดีเป็นโอกาสที่ดีนึกถึงพระพุทธเจ้าของเราโน้นก็ควรแล้วเก้าขนาดนั่นปงอายุปงสังขารแล้ววางแล้วถ้าจะตายก็ให้มันตายอย่ในข้อพระพุทธปฏิบัติเราเนี้ยพอสมควรเนี่ยต้องพยายา ม, มถ้าเนียนทุกอ ง, องค์ต้องพิจารณาฮะต้องพยายาม การทำสมาธินี้ให้มันติดต่อกันอืมติดต่อกันถ้าทำสมาธิบ่อยศีลของท่านจะดีขึ้นท่านจะมีการสังบอลสังรวมถ้าแต่มีการสังบอกสังรวมปัญญาของท่านมันจะดีขึ้นปัญญาดีขึ้นศีลมันจะดีขึ้นศีลดีขึ้นสมาธิมันจะดีขึ้นสมาธิดีขึ้นปัญญามันจะดีขึ้น เป็นเกลียวอยู่อย่างนี้อันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องทํากันละต้องพยายามนนมีอะไรอนนที่จะสงสัยในการประพฤติปฏิบัตินี้ใหญ่มากาใหญสงสัยมากให้ปฏิบัติให้มากเพราะว่า ตามที่ผมทำมาแล้วมีความสงสัยมากแต่ผมไม่กล้าจะเรียนถามท่านมากมายเพราะว่าการเรียนถามข้อสงสัยท่านก็บอกให้เราแล้วไม่ใช่ว่าเรารู้นะท่านก็พูดตามความเห็นของท่านเท่านั้นยังไม่จบหแต่ก็ยังดีเนะ่เป็นหลักอันหนึ่งที่เราจะต้องวินิจฉัยไปเรื่อยๆอย่าเข้าข้างตัว อย่าเข้าข้างคนอื่นเราศึกษาเรื่อยๆไปให้มันเห็นการคจรองอย่างนั้นนี่อย่าเข้าใจว่าอยู่นี่ไม่ได้ทำความเพียรการทำเพียรไม่ได้กี่ขัน้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนได้หมดทั้งนะั้นแม่กวาดลานวัดอยู่ก็บรรลุธรรมะได้ แม่มองไปเห็นแสงพยับแดดเท่านั้นก็บรรุธธรรมะก็ได้ไม่ต้องจะเป็นนั่งดับตาอยู่อย่างเดียวให้ระวังนักจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะไปตรงไหนเป็นต้นให้มันมีพร้อมอยู่เสมอทําไมถึงเป็นอย่างนั้นอันนั้นมันจะมีโอกาสบรรุธธรรมะอยู่ทุกเวลาทุกสถานที่เมื่อเราตั้งใจอยู่เมื่อเราพิจารณาอยู่นั้นแค่นั้นกันจริงอย่า ป, ประมาทไม่ให้ประมาท อไม่ให้ประมาทให้ระวังรู้เรานั่งเดินไปบิณบาตอย่างนี้มีความรู้สึกหลายอย่างก่อนเราจะกลับมาถึงวัดเราเออเราสิมีธรรมะดีๆที่มันเกิดขึ้นเมื่อมาถึงวัดมานั่งฉันบิณบาตแหมมันมีธรรมะดีๆที่มันเกิดขึ้นมาให้เรารู้จักศึกษานี่ รู้จักมันต้องเกิดอยู่อย่างนี้นะถ้าเราปลารุกอมเพียนเสมอนันไม่ใช่ว่ามันเป็นอะไรนะ่ะมันมีข้อคิดมันมีปัญหามันมีธรรมะมันเป็นธรรมวิจยะสอดส่องธรรมตรลอดเวลาอ่ามันเป็นโพดทรงโพดสังโฆสติสังกาโตธรร ม, มานังมิจโยุตถาบิรยิยมปิป ต, ติปัตตพุทธังคา เจตถาบริสมะทุกเดขาปดสังขารสัตเตสมมตจินนามุนิน า, มนาสมมตกตาภาวิตาภาุรีกตาสังมตติตเมื่ อ, อไรเราได้ศึกษาอยู่เป็นภูหุสูตรศึกษาอะไรไหมศึกษาอารมณ์เนี่ยธรรมะถึงมาเกิดกับจิตเนี่ยไม่ต้องไปศึกษากับใครที่ไหนแต่ศึกษาอยู่เนี่ยมเมื่อเรามีสติอยู่มันมีข้อศึกษา โทสังโคสติสังคาโตธรรมานังวิจโยมีสติมันก็ด้มีธรรมวิจยะมันติดต่อกันเสมอมันเป็นองค์ธรรมกัดสรุทั้งนั้นแหละถ้าเรามีสติอยู่มันมีธรรมวิจยะมันจะมาอยู่เฉยๆเราเป็นองค์รมกัดสรัรุถ้าอยู่ในในระบบนี้นะมันกัดสรุธรรมะมันอยู่ตรงนี้ ไอ้ผมเชื่อแ น, น่หรือเกินเลยอันนี้เอเอไอ้ภายในจิตของเราเนี่ย<อ>การปฏิบัติการพิจารณาไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนไม่มีเวลาอแล้วพยายามที่สุดมันมีอยู่อย่างนั้นไม่มีเรื่องอื่นมาปนปนก็รู้จักว่ามันปนเรื่องรู้จักให้มันตกได้เป็นโพชฌงเป็นองค์ธรรมกัจจรู มีธรรมวิจยะอยู่ในใจเสมอคือชอบชอบชอบทำเฟ้นทำอยู่เสมอทะานั้นโพธิชงท่านจึงว่าเป็นองค์ธรรมที่กัตถ ร, รูธรรมะโพธิจังโคสติมีสติจังกะธรรมายังมีจะโยูเกิดวิจัยธรรมะอยู่ตลอดเวลาเดือนจิตมันเป็นอย่างนั้นถ้ามันตกกระแสของมันแล้วอไม่ใช่ว่ามันวิจัยไปอย่างอื่น จะไปเที่ยวตรงนั้นมันจะไปทางนี้ตรงนั้นสนุกจังหวัดนี้มันไม่ไปอย่างนั้นหรอกอันนั้นมันดวงโลกเดี๋ยวก็ตายอย่านั้นแหละมันไม่ไปอย่างนั้นไปพอดีมันฆ่าที่หมดะ่ะมีบวกมีรบเันอยู่เสมอแล้วอนะให้พิจารณาอย่างนั้นฉะนั้นจงพกกากันตั้งใจไม่ใช่วานั่งรับตามันมีปัญญาอย่างเดียวตาหูจมูกจีนกายจิตมีอยู่เสมอเราตื่นอยู่เสมอแล้วมันรับรู้อยู่เสมอเราศึกษาตลอดเวลา ข้างนอกมันจะเห็นใบไม้มันจะเห็นสัตว์ต่างๆมันก็ได้ศึกษาตลอดเวลา น, น้อมกับมาเป็น อ, นยอยุปราชิกาธรรมให้เห็นชัดในตัวของเราเป็นปัจจตังเน่นี่จะมีอารมณ์ภายนอกกระทบกระทั่งขมามันก็เป็นมันก็เป็นปัจจตังสำ้ำมำเสมอไม่มีทิ้งไม่มีทิ้งพูดง่ายๆเหมือนเหมือนเขาเผาถ่านเตาถ่านเข้านะมีไหมเออ เผาอิดเขาเห็นไหมถ้าเขาทําถูกแล้วเป็นต้นก่อไฟขึ้นหน้าเตาสักสองวานี่สองซอกเม็ดหนึ่งทั้งหลายเนี่ยมันจะดูดกันไปในเตาหมดหุดเวยควันไฟอะไรอย่านีดูอันนั้นก็ได้อันนี้เกิดมาจากอะไรที่พูดอย่างนั้นมันเห็นชัดอย่างนั้นมันเป็นรูปเปียกของมันถ้าเขาถ้าเขาทําเตาเผาอิดถ้ามันถูกเรื่องของมันมีนลักษณะแหละนะ แล้จะก่อไฟอยู่หน้าเตาขนาดจักสองเมตรสามเม็ดเมื่อมันมีควันขึ้นมาปุ๊บมันจะดูดเข้าไปในเตาทั้งหมดไม่มีเหลือเลยความร้อนมันจะเข้าบรรจุในเตาหมดไม่มีหนีนล้วต้องไปอย่างนั้นก็เหมือนกับเมนเผาศพนี่เมื่อก็ทําถูกใส่ไฟเข้าไปมันจะดูดเข้าไปหมดไอ้ความร้อนมันจะไปทําลายเร็วที่สุดนี่มันเป็นอย่างนั้นไอ้ความรู้สึกของผู้ประพฤติปฏิบัตินี่กับมันกัน พอมันเป็นเช่นนั้นมันจะมีความรู้สึกมันจะดูดเข้าไปในสัมมาทิฏฐิทั้งนั้นนพอตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกกลวงกลิ่นดิ้นดิ่มรสทั้งหลายมันจะดูดเข้าไปให้เป็นสมาทิฏฐิทางนั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้มันเป็นดูปเปรียบต้องพูดอย่างนั้นอันนี้จงพากันตั้งใจจะเป็นพระ อ, อยู่ที่นี่ก็ตามจะเป็นอคันตุกะมาใหม่ก็ตาม อจะเป็นพระบวชใหม่ก็ช่างจะเป็นนาคมาอยู่นี่ก็ตามทีเตอะให้เข้าใจอย่างนั้นการปฏิบัติยุวัดประพงษ์นี้ถ้าให้รู้จักมีสายิวัติประพงษ์งที่ผมอยู่เนี่ยผมก็ไม่ค่อยไปอะไรกับใครนักลูกศิษย์ลูกหาเนี่บางคนจะไม่เข้าใจอาจจะาไอ้ท่านไม่คอยถามเราท่านไม่คอเร่นก็อะไรเนี่ยอย่าไปโง่ถึงขนาดนั้นนะ่ะอืมพ่อขาวพัน ที่มาอยู่กับผมเนี่ยไม่ได้เคยถามปีนี้มาถามจ้าวพอพันุจะอยู่บ้านเลยอยู่บ้านน้องเทนุกเนี่นว่าอยู่นี่กี่ปีหลอกแปดปีหรอกไงแน่ไม่เบื่อหรืออยู่ถึงแปดปีได้ไม่เบื่อนยังไม่เบื่อครับเพราะเหตุใ ด, ดถึงไม่เบื่อเพราะผมตั้งใจมาตายที่นี่ แน่มันฟังง่ายๆได้เกินนะเพราะผมต่างใจมาตายที่นี่นื่น่าจะทำขนาดไหนเนี่ยจะเอาอย่างไรวะผมว่าจะเอาให้มันหมดนี่ปีนี้ถามถามพ่อขาวพันนจวนจะหมดหรื อ, อยังเนี่ยจวนแน้วครับแน่นี่ผมเลยยินออกจากจิตใจของพ่อขาวพัน แกมาบวชที่นี่ไม่ควรต้องพ่อผมปฏิบัติคุ่นไหวผมอยากจะบวชเป็นพระอยากจะบวชเป็นเนรใหม่ไม่เคยได้ยินอืผมเปลนนั่นเป็นนี่ไม่เคยได้ยิ น, น, น, น, น, น, ยยนถึงแม่ป่วยแล้วก็ดูเอกมีปัใจจัยใช่ไหมอะไรไหมพอมีครับไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีก็ไม่รู้อืมลูกมาหรือไม่มาผมก็ปล่อยทิ้งไ้อย่างนั้น แปดปีดิผมเพิ่งมาถามเนี่ยมาถามปีนี้เนี่ยมันก็เรียกเรียกว่าไม้นาตามป่าเนี่ยไม่ต้องลดน้ํามันนะอในรูแร่งมันแดดก็แดดเป็นปุ๋ยมันใช่ไมันก็ไม่ตายธรรมชาติเป็นอย่างนั้นต้องทนครับเด็กกับผมเรียบไปฟังอีกอย่างนึ่งว่าเหมือนบัวกระตรงกับน้ําเนี่บัวมันจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีน้ําแล้วก็มีตุ่ม ถ้าไม่มีน้ำมีต้มบัวเกิดขึ้นไม่ได้มันอาศัยสิ่งต่าในกันอย่างนี้ไอ้การประพฤติปฏิบัติเราจะเป็นไปได้โดยง่ายก็เพราะเราเออเฟืในการปฏิบัติเราในปัจจุบันนี้อย่างหนึง่งต่อเพราะบุญวาสนาบารมีเราอย่างหนึง่งเมื่อเราทําให้มันถูกต้องนั้นค่อยๆไปของมันไปเรื่อยๆของมันไปเช่นว่าท่อนไม้ที่ตัดทิ้งลงไปในคลองในแม่น้ํา ให้มันไหลไปอย่าไปติดฝังนูน้นไปติดฝังนี้แล้วก็พอถ้ากระท h o n ไม้นั้นไม่ผูกวันหนึ่งมันจะถึงกรีดจนไดน้เมื่อเราทําเช่นนี้แล้วก็มือนกันฉันทันพระพุทธองค์จะคิดแต่รู้เลยว่าอะไรมากวรท่านปฏิบัติเพราะสิ่งสองสิ่งนี้มันควรท่านคืออะไรคือกามสุขะนิการิโยโขอสัจาสาีธรรมสถานิโยโคนี้ ความสุขนี้ความทุกนี้ความชอบใจนี้ความไม่ชอบใจนี้ท่างควานท่านตรอดเวลาเลยเมื่อทุกมาท่านก็ไม่ชอบเมื่อสุกมาท่านก็ชอบแต่แล้วกับความสุขความทุกนี้มันก็มีลักษณะอย่างเดียวกันมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปสุขเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไป ทุกเกิดขึ้นมาแล้งทุกกตั้งอยู่ทุกตั้งอยู่แล้วทุกกระลาปมันก็เหมือนกันเท่านั้นไม่มีอะไรมากกว่ากันใดทั้งนั้นนี่ท่านก็เห็นอย่างนี้ท่านแสดงในกา ม, มาตุคณิการียโภอัฏฐกีรมาฐานโยโภสองประการ น, นี้ว่าสมณะทั้งหลายนั่นอย่าเดินไปสองทางนี้มันเป็นธรรมของคาวาต ไม่ใช่ทำของสมณะคณวาเก็เดินไปตามนั่นเห็นไหมเน่ะสุกข์เขาก็เอาทุกข์เขาก็ไม่เอาอืมชอบใจเขาก็เอาไม่ชอบใจเขาไม่เอามันมีทางสบายไหมคารวา<น>ะเนี่มันลุ่นอยู่ตลอดเวลาคนทุกข์แล้วมันรวยยังทุกข์คนรวยแล้วมันก็ยังทุกข์เพราะมันเป็นอย่างนั้นมันไม่รู้เรื่องของมันอืม ทุกมันเอาทุกไว้เอาชอบใจเอาไม่ชอบใจไม่เอาเท่านี้มนุษย์ทั้งหลายคารวะเขาสร้างกันอย่างนั้นอืฉะนั้นในทางคารวะานั้นมันเป็นทางที่ับแคบมากาพ ร, าระพุทธเจ้าตสว่าสิ่งทั้งสองอย่างนี้คู่กับพฤทธปฏิบัติหาความสงบเด้๋ย่าไปติดติดสองอย่างนี้ปฏิบัติสองอย่างนี้แล้วมันบอกเราเลยผููปฏิบัติ มันเตือนเราเสมอแล้วบางทีความสุขเกิดขึ้นมาติดสุขบางทีความทุกข์เกิดขึ้นมาไม่คิดไม่คิดแต่ในทุกข์นั้นไม่เอาจะเอาอะไรก็ไม่รู้มันก็ติดแล้วมันปนไปปนมายเรื่อยไปสลับซับซ้อนอยู่เรื่อยไปเราปลอสุขสุขทุกทุกทุกทุกสุขๆุไม่มีทางที่สงบแล้วนี่ฉะนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าสันปจิบัติมาแล้ว มันไม่เป็นสมาปฏิปทามันไม่เป็นการกระทำที่ถูกต้องเมื่อเราปล่อยสุขเนี้ยเราปล่อยทุกเนี้ยเป็นสมาปฏิปทาเป็นทางที่ถูกต้องเช่ น, ะ น, นี้คนนานเห็นเพราะว่าเราต้องการเรามีความต้องการอยู่ แล้วกว็ประยุทธ์ในความต้องการนั้นเมื่อได้สิ่งนั้นมาแลว้วก็ประยุทธ์อีกในที่สิ่งที่ต้องการนั้นฉะนั้นการกระทาเพี้ยนนี้ท่านจิงบอกว่าทำด้วยการละวางทำด้วยการปล่อยวางไม่ใช่ทำด้วยการยึดไว้ถือไว้ให้รู้มีอำนาจให้รู้ไม่ให้มีอำนาจให้ยึด ดั่นั้นสิ่งทุกขสิ่งในสกุลโรคนี้มันก็เป็นอยู่ตามเรื่องของมันเป็นอยู่ตามเรื่องของมันเมื่อรู้มันมันก็อยู่ตามเรื่องของมันอย่างนั้นมันไม่ทำให้ใครโลกอันนี้ไม่เดืยดเดียนใครสนนักนไม่ทำให้ใครเป็นสุขไม่ทำให้ใครเป็นทุกข์เขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นนี่เราจะต้องรู้อย่างนี้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็จะมีราคาเสมอกัน เราจะเห็นว่าสิ่งนี้เราได้มาวันนี้ต่ตพุ่งงี้ก็เสียไอ้การได้มากับการเสียไปมันมีราคาเท่ากันนี่สละถ้ามนุษย์ทั้งหลายแล้วถ้าเสียมาถ้าได้มาต้องยิบแย้มแี่นใสดีอกดีใจถ้ามันหายไปต้องร้องไห้อันนี้เป็นภาษาของคนที่ไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักความเป็นจริง มันก็เป็นอย่างนี้มันถึงเป็นทุกข์ถ้าเรารู้จากความเป็นจริงแล้วการที่ได้มาด้วยการทีเสียไปนี้มันจะมีราคาเท่ากันเพราะมันเป็นอย่างนี้นะถ้าเราไม่ได้มามันก็มีอะไรจะเสียถ้าเราหามาได้มันได้มาแล้วมันก็เสียมันก็ต้องมีมันเกิดมาแล้วก็ต้องตายไอคนเกิดเแล้วมันไม่อยากตายอย่างนี้มันจะได้มไหมมันผิดนี่ เราสมักตายี่เมื่อเราเกิดโน้นไม่รู้เรื่องของเจ้าของว่าของทั้งหลายเหล่านี้เราจะมีอำนาจควบคุมมันได้อย่างไรมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นนอกจากมีความรู้เท่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอันนี้มันเล่นงานพระพุทธเจ้าของเรานานเดียวสุขเดีอวทุกเดียวทุ ก, เ ด, ทกเดียวสุขเดียวเกิดเดีอ ว, วตายอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา นั้นปีนี้จึงจะให้พวกท่านเอาหลักธรรมทั้งสามประการนี้คืออปปนาสปัพิปปทา ค, คือข้อปฏิบัติไม่ผิดนี้ปฏิบัติในภาษานี้ตั้งใจทุกๆคนการปฏิบัติที่มันละเอียดนี้มันเป็นของละเอียดมากคือมันไม่เป็นอะไรตรงนั้นมันไม่อยากเป็นอะไรั้งนัน้มันปล่อยมันวาง มันปล่อยวางการนี้มันปล่อยวางมันเห็นโทษมันจึงปล่อยวางมันนะถ้าเราไม่เห็นโทษมันมันก็ปล่อยวางมันไปได้มันจึงเป็นทุกข์อย่อย่างนั้นในความเป็นจริงนั่นการปฏิบัตินั้นเอาอะไรไม่เอาอะไรปฏิบัติไม่เอาปฏิบัติเพื่อปล่อยเพื่อวางทํำไมท่านบอกว่ายุดยุดไม่ก่อน ไอ้มันมีตัวมีตนก่อนยึดก่อนมันจึงไม่มีตัวมีตนต่อไปเนี่ยถ้าเรายึดไว้ถ้าเรามายึดเ อ, เอาปล่อยวางมันเนี่ยไม่มีอะไรจะวางอย่างของในมือเราไม่มดเอาทิ้งมันมือปเปล่าๆจะเอาอะไรมาทิ้งเนี่ยเพราะมันไม่ยึดไว้ไม่มีสมมุติมันก็ไม่มีดีมุดถ้าเร า, าเก็บอะไรไปสักวัตถุอย่างนหนึ่ง ถ้ามจงปล่อยอันนี้จะปล่อยเอาไปหนึง่งมันมีวัตถุที่จะปล่อยไปมันปล่อยได้คือสมมุติมันต้องมีก่อนมีมุดปล่อยมีมุติแล้วสมมุติมันก็เกิดขึ้นมาอันนี้มันเป็นของคู่คคกันฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนทางการยึดทางการปล่อยเนี่ยยึดไว้ก็เพื่อใเห็นโทษมันถ้าเห็นโทษแล้วมันก็ปล่อยวาง ฉะนั้นการปฏิบัตินี้ท่านเพงบอกหยอนน้ยึดอันนั้นยึดอันนี้เจ้อก่อนต่นเพราะว่าถ้าม่ยึดมันไม่ีอะไรจะปล่อยไม่มีอะไรไม่มีข้อประพฤติไม่มีข้อปฏิบัติฉะนั้นปีนี้ทุกๆุกท่านทั้งหลายนั้นพอการตั้งอกตั้งใจมาแล้วต้องพยายามอย่างน้อยที่สุดพยายามมันผิดกติกานี้ แล้วก็ตั้งใจมาแล้วสมน้ำสมเนื้อถึงไม่จะบทสามเดือนอย่างนี้ก็มีผลมากมใานการปฏิบัติที่มันถูกต้องหรือการพูดที่ถูกต้องเนี้ยพูดคำเดียวนะมันถูกต้องพูดสักพันคำนี่มันก็ไม่มีราคาสู้การพูดคำเดียวที่ถูกต้องไม่ได้ การประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อเราไม่เห็นความถูกต้องจ้ะอย่างเดียวเะนั้นนะฐานะเดียวไอจิตใจเราเห็นผิดอยู่ตลอดจนเกิดมาจนตายก็ไม่มีราคาอะไระั้งอันนี้โบทถสามเดือนก็ตามสองเดือนก็ตามปีก็ยังนะอย่าไปว่ามาเลยยังให้ เ, เราส้งมาเยอะเราสามเดือนแล้วเราก็สึ อย่าไปว่ามันเลยว่าตอนนี้ไปสามเดือนเป็นอนาคตรู้ไหมบางทีไม่ถึงสามเดือนมันตายก่อนทำไงพราะความตายในมีสัญญาสันไว้ีดังบางคนคิดกบบนี้มาสรางมั้เสร็จสามเดือนแล้วก็จุบไปบางทีไม่ถึงสามเดือนเนื้อตายก่อนเยู่ล้อย่างนั้นเราก็ต้องปฏิบัติไม่ไวใจในชีวิตของเรา แ่พาะมันผ่านไปทุกวันตุวันตุวันตุวันแล้วไม่รู้ไม่ว่าจะวันเราจะตายเรารู้เลยวันเกิดเรายังไม่รู้เลยใครรู้วันเกิดไหมผมยิ่แจะบอพ่อแม่เท่านั้นจะบอกมาบางคนใค่พูดว่าเ้ยผมรู้จักแต่วันเกิดเท่านั้นแหละวันตายผมไม่รู้หรอก ถ้าเราถามก็ไเ่ความเพียงจังเกิดต็ไม่รู้จักทำไมถึงรู้จักนี่พ่อบอกแม่บอกมาเขาจำผิดก็ไม่รู้จำถูกก็ไม่รู้เพราะเขาบอกมารวมได้มววาว่าวันเกิดเราคอยยังไม่รู้วันตายเราจะรู้อย่างไรต้นมันก็ไม่รู้ปลายมันจะรู้อย่างไรนี่แหละ อปมาเทนะสัมปเทถะท่านตัางหลายจึงยังความไนประมาณไม่เกิดขึ้นเพราะมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้บางคนก็บอกว่ า, าบวชมีกี่วันแล้วก็สิ้นไปสั่งมันเธอะนะมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะต้องทำความตายเราไม่รู้มันะ อยู่ข้างหน้านั้นเน่ยเมื่อมันจะตายมันไม่ยากหรอกมันไม่ถึงสามเดือนเนี่ยมันไม่ถึงสองวันเนี่ยไม่ถึงสิบนาทีก็ได้มันตายรู้ไหมถ้าเราคิดเค่นี้เรยไม่ควรประมาทเลยไม่ควรประมาทเราบวชสามเดือนทําความเพียรจนถึงวันมันวั น, ม, นมันจะสิ้จะสิน้นพรุ่งนี้วันนี้ยังทําเพียรอยู่เออ ยังจะทำเพี้ยนอยู่ตลอดเวลาเนึ่ว่าอีสองวันแล้วก็สึกเท่านั้นแหละไม่ต้องทำเพียนไมื่หรอกนะคือคนงู่ถ้าไม่ถึงสองวันมันตายก่อนทาไมอ่ะมันไม่เสียประโยชน์นี่เราจะไปไหว้ใจในชีวิตของเราอย่างนั้นแต่พระพุธทธเจ้าท่านเห็นอย่างนี้และความไม่ประมาทก็เกิดขึ้นมาเท่านั้นแ ต, แต่เราเห็นอย่างนี้อืมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นในภาษานี้ เราเพิ่งจะขอร้องพรอมสรทั้งหลายนี่นจึงจึงมีความสมัครีกันให้มีความพร้อมเพียงกันต่างคนต่างปฏิบัติถ้าเรามีความเห็นพร้อมกันแล้วแมธรรมะของพระพุทธเจ้าจะอยู่สักคัรูงกว่าได้มันไม่มีความลำบากให้เป็นคนซื่อสัตย์สุดจริตอย่าเป็นผู้มีมายาสาไถ ในจิตเจวัตทั้งหลายตั้งพวงหนึ่งหลายแล้วเนาะนี่คือหลักปฏิบัติจริงๆจะต้องทําอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ใจก็สบายใจก็สงบเท่านั้นแหละการทําทสมาธิเราก็ทําของเราไปทุกวันดูวันอตอนกลางคืนเราจำวัดเสร็จแล้วตื่นมายังไมทีระคังแล้วก็ดูสมาด์นั่งสมาธิเนะี่ยทำ อย่าเห็นว่าท่านไม่ทำอะไรอย่าไปว่านะ mm hmm. ส่วนตัวเราทำได้ปมติดประตูไว้ในเปนไปควรกา mm hmm. งวันกลางคืนเราทำเพื่อ mm hmm. ทำอ ย, อย่างนั้น mm hmm. เหนื่อยก็เดิน mm hmm. เดินก็ยืนพิจีนณาอยู่อย่างนั้น mm hmm. ในประการที่สองปีนี้ไม่อยากไปพูดไม่พูดกัน คำที่ว่าไม่พูดอะไรก็เพื่อให้ให้ดูจากความพอดีถ้าพูดนั่นสินมันขาดตกบกพร่องไปไม่รู้ตัวการพูดไม่ใช่แบบเราจะมาทานมุขวรรตลอดชีวิตของเราไม่พูดเพราะจะทำมือทำไม่ได่พูดพะ่ล้อ้ทำความเข้าใจกันเท่านั้น การเที่ยวเวียนธาบาสมาครมูมอนตันอย่าพูดเดินคุยกันมาการมาจัดอาหารการฉันก็ะยชนพูดเงียบพูดกันน้อยที่สุดไม่ไปควนคนอืนะ่นนะเมื่อการทําทงานตักน้ำทุกอย่างนั้นไม่พูดล้างบาตไม่คุยกันไม่พูดเอามาสรโรคบาตไม่พูดเนี่ยเงียบมันจะเงียบ เมื่อเราไม่พูดมันจะคิดอย่างไรมันก็เห็นจิตเจ้าของมันอยู่อย่างไรเนี่ยมันไม่เพลินเวตาลมารมณมนะเมื่อพูดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้จิตเรามันก็สายไปด้วยร่างบาดจนจบไม่รู้ว่าเราคิดอะไรไม่รู้เรื่องเจ ต, ตโตรคบาดจนจบพูดไปเรื่องอื่นเรื่องการกระทำของเจ้าของมันไม่รู้เรื่องอะไรเมื่อเราอยูนลักษณะ น, นี้คิตจะเป็นอย่างไรยึตเราอาศัยอะไรอยู่ จิตเรามีความประมาทอยู่หรือเปล่ามีความเน้นผิดเน้นถูกอยู่หรือไม่เรารู้ตัวอยู่หรือไม่เรามีสติอยู่หรือไม่เรามีสัมปชัญญะอยู่หรือไม่เนี่ยนี่เราจะต้องคมจิตเราด้วยเสมุนไพรประพฤติปฏิบัตินี้จะต้องรู้ตัวเสมอให้มันพูดอยู่ในใจของเรามากๆากพูดอยู่กับใจยจักของนั่นเนี่ยพูดอยู่ตรงนั้นแล้วพูดกับ ใจเจ็บฟองนั่นในจิตมันจะว่าอย่างนั้นมันอยากเอาอย่างนี้มันเอาอย่างนี้สารพัดอย่างของมันถ้าเราไปอาศัยภายนอกเป็นอยู่ความสงบพี่มันก็เกิดขึ้นได้เขียนมาในเช้าวันนี้ไม่กลัวนี่เราไม่กลัวไม่กลัวเพราะมันหลายคนลองไปนั่งอยู่ในประชา้าคนเดียวดีกลัวถ้าหลายคนไม่กลัวถ้าอยู่คนเดียวกลัวนี่ไม่ต่าง ฉะนั้นในการพันสานี้ท่านจพงบอกว่าพระเทระในการพันษานี้ท่านเล่นอยู่เด็กเดียวคำว่าเล่นอยู่เด็กเดียวนั่นท่านก็อยู่กับเพื่อนท่านเล่นอยู่กับจิตของท่านมีความรู้สึกมีความนึกคิดอยู่ผูเดียวเล่นอยู่คนเดียวไม่ให้โทษคนโน้นไม่โทษคนนี้ไม่อะไรคนอื่นไม่เป็นเรื่องคนอื่นเป็นเรื่องของคนอื่น นี่เเรื่องคนคนอื่นมาใจ่ใจของเราเราต้องดูงานของเราไม่ต้องดูงานของคนอื่นต่างคนต่างทําอย่างนี้แล้วมันก่อนสงบมัก็เป็นไปเท่านั้นการพูดน้อยมันเกิดประโยชน์มากที่ไม่พูดวันนี้ทีนี้ภาษานี้ก็เพราะว่าให้ดูจากความพอดีถ้ารู้จากความพอดีในการพูดมันก็เป็นประโยชน์การพูดนั่นมันก็เป็นประโยชน์ เฉพาะตนด้วยและแลบุคคนอื่นด้วยถ้าเราไม่ดูเรื่องพูดไม่ดูเรื่องเป็นต้นมันก็เป็นโทษเจ้าของก็เป็นโทษคนอื่นก็เป็นโทษไม่เกิดประอยู่น์ตั้งอย่างหนึ่งเลยทีเดียวให้เราพากันทําอย่างนี้ทีนี้เมื่อปฏิบัติอย่างนี้ไม่ต้องอะไรมากเลยทําำแต่ถ้าใครทําเมื่อกิจมันเป็นยังไงอะเมื่อมารวมคันมสงสยัยถามว่มาตรงนี้มาทําแล้วมันเป็นยังนี้มันเป็นต่ว อ, อะไร นี่คือถานนะแต่ว่าลักษณะอันนี้ผมมาใส่ถามครูบาอาจารย์จิตของผมมันเป็นอย่างนั้นไม่เคยถามไม่เคยเรียนครูบาอาจารย์ซึงเป็นนั่งแต่นั่งฟังแต่นั้งฟังฟังแล้วมาพิจรารณาไม่ไม่ไม่เรียนถามกันถ้ามันจิตตรงไหนอยู่ก็ติตอยู่ตรงนั้นแหละถ้าไปถามท่านเนี่ยมันงานรู้ เราไปถามท่านท่านก็บอกท่านบอกเราเราก็รู้จักความที่ท่านบอกเรารู้จักแล้วนี่คนทุกข์ไม่ได้ก็เพราะเราความรู้จากคนอื่นนี่จิตผมเป็นอย่างนี้ให้มันทุกข์ก่ามันทุกข์อยากให้มันรู้เลยตนเองเต็มทีแล้วไม่เรียนไม่เรียนม่ถาเพื่อจะมันทํางานเอง พูดถึงอย่างนี้ก็มาพูดถึงเรื่องเงงงส้สนพระกระดังทัานตงยิปโตท่านจะใส่สารจะทอไหมสาเสิงห์นี่ใส่สา ร, สสารเห็นคนไทยเขาสารอยู่เจ้าก็อเอามาตอบมาสารนี่แหถ้าไทยจะไปบอกท่านรู้ๆที่ผมจะบอกท่านท่านเน่ต้องบอกผมให้ผมสารอิงผมมันถึงจะรอดนี่คําพูดเท่านี้ มันก็ไปเห็นเราพิจารณาแล้วคือเขาอยากจะรู้เองเขาเห็นเองเขาไม่ต้องอาศัยคนอื่นถ้าหากว่าคนอื่นบอกแล้วมันไม่ได้ใช่ปัญญาัน่ยมันมใช่ความคิดถ้ามันค้นในเองจริงๆเนี่ยมันมีราคามากถึงขึ้ น, นท่านจบอกไม่ต้องบอกผมให้ผมตามูเองผมนี่ถ้าใครตรงไ่ไปบอกท่านก็ทำทไม่ทันหรือเรื่องเป็น เ ป, เป็นแค่แทเป็นเพราะเจ้าของเอง แ, แท้ๆอะไรที่มันเกิดกับจิตใจเจ้าของจริงๆแนละ้วมันมีราคามากที่สุดมันแน่นอนเดือดร้อนอันนี้สงสัยไปถามคนโน้นไปถามคนนี้ถามคนนี้โดยรู้จักไอการที่รู้จักมันนั้นมันรู้จักเพราะคนอื่นบอกคนอื่นบอกนั้นเป็นต้นเรารู้จักไม่แน่นอนไม่ได้เป็นปัจจัยทางยีติเฉพาะที่ส พระพุทธองค์กัณฑีตราสว่าใครยังเชื่อคนอื่นอยู่นั้นคนนั้นงูนี่คนนั้นยังเป็นคนงูนอย่เมื่อคนในเชื่อเจ้าของได้แล้วคนนั้นเป็นคนฉละดพระพุทธเจ้าสอนตไม่เชืน่อคนเชื่อผู้อื่นนี่ได้พวกท่านทางไหนามาจำวัดในวัดต้องประพงศ์ี่นี่นั้นพวกท่านทางไหนคงจะได้ยินจิตติสาว่าวัดต้องประพงศ์มีปฏิบัตินี้ ในสอนกรรมถานนี้ปฏิบัติที่นั่นสงบมากเราก็พากันมาครับในความเป็นจริงนั้นมาได้ไมัม่เหมือนอย่างเลยความเราคิดนะผมก็เอาความสงบให้ท่านในนั้นเลยวัดนี้ก็ไม่มีความสงบจะเอาความสงบให้ท่านในนั้นทาไมเพราเอาให้กันในนั้นความสงบอยู่ตรงไหนความสงบไม่เ อ, อยู่ที่นี่ความสงบนั้นอยู่ที่โฟกัสทางไหนเห็นปู่เลย ไม่จะอยู่ที่วัดต้องวังโพงไม่จะอยู่ที่อยู่ตระกูลวัดต้องวังโพงเราเป็นประสานที่ที่สงฆ์ระงับเท่านั้นตามธรรมชาติเป็นธรรมชาติของพระจีแองคามะให้พวกท่านฟังเั่านั้นคนจะเอาธรรมะให้ท่านในเาจะปฏิบัติให้พวกท่านก็ไม่ได้เป็นเป็นคนที่คนทางตถวนี้ถึงแม้พระพุทธเจ้าทา่านจะมีอํานาจเท่านั้นมีอํานาจบอกอนะันนี้ทําอย่างนั้นอันนั้นทําอย่างนี้บอกว่าทางแถวนั้น การวกทางไหนเราไปปฏิบาทิเองทำเองให้รู้เองให้ไดเอง